นางบุญนี่มีลูกสาวชื่อแหววอายุสิบแปดปีละฐานะก็ไม่ค่อยดีมีสา ม, มีชื่อในวอกซึ่งมันก็วอกสมชื่อทั้งกล่อน้นเจ้าเลสารพัดนางบุญก็เอื้อมระอากับนิสัยของผัวคือในวอกแต่ก็ยังคิดว่ายังโชคดีที่มีลูกแค่คนเดียวแหววนี่เรียนจบปหกก็ออกมาช่วยรับเหมาแล่ปลาตัดหัวปลาที่โรงลูกชิ้นใกล้ๆบ้านของในวอก ในวอกก็มาช่วยบ้างพอได้ค่าเหล้าก็กลับไปไม่คิดจะทําต่อในวอกออกรงงานเนื้อตัวก็เหม็นกลิ่นปลาน้ำท่าไม่อาบอะรีบไปซื้อเหล้าก่อนไปนั่งกินที่ร้านแก้มกระทั่วที่เป็นของโปรดเพื่อนผูงก็ด่าทุกวันไอ้วอกมึงทําไมไม่อาบน้ำอาบท่าซะก่อนว่าตัวเหม็นบันไรลเลยในไก่นะ่ะเป็นคนว่า กูอยากเล่ามากเนะขอกินก่อนบุ้ยแล้วค่อยกลับไปอาบลูกค้าโต๊ะอื่นเขาก็เหม็นจนบางคนต้องลุกหนีเจเจ้าของร้านก็เลยบอกในวอกบอกว่าไอ้ hey, วอกมึงซื้อไปแดกที่บ้านจะดีกว่ามั้งลูกค้าก็ทนกลิ่นตัวมึงไม่ไหวแล้วแมลงวันก็เริ่มจะบินเข้ามาแล้วนะแหมกินคนเดียวมันเหงาอะ่ะเจ้มันต้องมีเพื่อนถึงจะสนุกเพื่อนฉันนั้มันทนได้ คนอื่นทนไม่ได้กูจะหวัวอะไรจะชัางหัวมันได้ยังไงลูกค้าประจำกูนะอ้าวก็ฉันก็ลูกค้าประจำเหมือนกันลูกค้าทุเรศแบบมึงอาหายไปสักคนในะร้านกูจะเจริญกว่านี้มึงเชิญไปซื้อร้านอื่นเลยเจก็ไล่จะให้ไปร้านอื่นให้งอไงนะไกลอะายเมาก็เดินกลับแม่ถึงบ้านในวอกนี่ตอบหน้าตาเฉยเลย งั้นมึงก็ต้องอาบน้ำก่อนเอาแฟบพ อ, อ, อกซะมันถึงจะหายเหม็นคนอะไรสกรปรกคนที่รับเหมาทำปลาเนี่ยมันเหม็นนะรู้หรือเปล่ามันเหม็นเข้ากระดูกดำเลยเชียวแหละเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันอาบน้ำก่อนก็ได้เจเออดีถ้าไม่อาบไม่ต้องมาเข้าร้านกูนะวันต่อมาในวอกก็บอกว่าเจ เซนเหล้าสามขวดเ๋จะไปกินที่บ้านเอาถั่วสิบหอบุรีสองซองมึงจะเซนทำไมมึงรับเงินทุกวันก็ซื้อเงินสดไปกินวันละครึ่งขวดเหมือนเดิมก็ได้ฉันจะจ่ายทุกวันสุกไงแหละเจจะได้ไม่ต้องมานั่งกินที่ร้านให้เจด่าอ้าวแล้วมึงไม่เหงาไงกินคนเดียวอะ่ะฉันเลิกเหงาเลยแหละคิดดูแล้วอะ่ะเมาแล้วก็นอนเลยไม่ต้องเดินกลับ ในว อ, อกว่าอย่างนั้นเอจเอจ้างงั้นก็ได้วันศุกร์มาจ่ายนะเสร็จแล้วเจ๊แกก็ยอมให้เซ็นในว อ, อกนั้นทํางานถึงวันศุกร์ก็ไม่ยอมเอาค่าเหล้าไปจ่ายเดินไปซื้ออีกร้านหนึ่งเอามาเก็บไวสองขวดเอาเงินที่เหลือไปแทงไฮโลอ่าปรากฏว่าเสียหมดตัวเจ๊ก็รอในว อ, อกก็ไม่เห็นมาจ่ายจะทิ้งร้านไปทวงก็ไม่ได้ผัวแกไปขับรถส่งของให้โรงขนม ลูกๆ ก, ก็ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพอยู่หอพักทั้งสองคนแกมีลูกแฝดเป็นผู้ชายกำลังเรียนอยู่มหาลัยทั้งคู่เจ๊แกก็โ ม, โมโหมากก็เลยบอกในไก่ในเขียวเพื่อนในวอกว่าใครก็ได้ช่วยไปทวงเงินที่ในวอกให้หน่อยทวงได้นี่กูจะเลี้ยงเหล้าครึ่งขวดว่างั้นในไก่ก็รับอาสาไปทวงไอ้บอกไป ไอวอกมึงอยู่หรเป่ า, าในไก่เดินมาเรียกหน้าบ้านตอนบ่ายเพราะคิดว่าในวอกคงจะกลับมาบ้านแล้วในวอกก็เปิดประตูออกมามีอะไรให้ไก่ก็เจที่บ้านเขาให้กูมาทวงค่าที่เอ็งเซ็นของเขาไว้อะเฮ้ย hey. ข้าเดินจะเอาไปให้เจ๊ตั้งแต่เย็นมันสุกแล้วละแต่พอข้ะล้วงเงินในกระเป๋าก่อนจะถึงบ้านเจเกินนิดเดียว ปรากฏว่าเงินหายวะ่ะครับกระเป๋าเกงกูมันขาดไปจั้งก็่เมื่อไรไม่รู้กูอุ้งสะอาบน้ำแต่งตัวนุ่งขาสัน้น น, นานๆนุ่งทีหมดตุดเลยนี่กูก็เป็นไข้ามาสองวันแล้วเงินก็ไม่มีซื้ อ, อยาอีบุญเมียกูมันก็ไม่สนใจหาว่ากูเอาเงินไปกินเหล้าหมดมบอกตายหาซะได้ก็ดีเออเนี่ยฟังเมียกูวนว่าเนี่ยในไก่ก็รู้สึกสงสารเพื่อนควักเงินให้ในไก่สามร้อย บอกว่าเงินก่อสร้างออกเมื่อวานยังไม่ได้ส่งให้เมียที่ต่างจังหวัดทั้งภาคอีสานเองเอาเงินไปหาหมอหายากินซะนะเดี๋ยวข้าจะไปบอกกับอิเจ้ให้ว่าแล้วในไก่ก็เดินกลับไปในวอกก็หัวเราะงอหายโอไอไก่เองโง่เอ้ยจะมาตัวเงินกูกลับมาเสียงเงินในกูซิฮะโชคดีจริงๆรเว้ยทีนี้มีทุนไปบ่อลแล้วโว้ยว่าแล้วในวอกก็ไปบอนแทงให้รั แต่ก็เสียหมดในวอกก็ขอยืมเจ้ามือเห็นคนอื่นยืมได้มึงจะยืม ม, มึงมีอะไรมาจำนำหรือเปล่าคนอื่นก็มีซร้อยมีแหวนมาจำมึงมีไหมละ่ะในวอกก็บอกว่าทองอยู่ที่บ้านนะมีขอยืมรักสามพันก่อนเจ้ามือหรือเจ้าของบ่อนก็ไม่ให้บอกว่าต้องเอาทองมาก่อนในวอกก็กลับบ้านก็คิดหนักตอนนั้นนางวุ้นกับลูกสาวกลับมา ในวอกก็แอ บ, บเอาหัวหอมบีบเอาน้ำมันมาป้ายตาจนน้ำลายไหลตางี้แดงก่ำเยียวแกเป็นอะไรให้ว่าพ่อพ่อร้องไห้ทำไมอ่ะก็วันเนี้ย <c oughs> พ่อไม่ได้ไปตัดหัวปลาพ่อปวดหัวหนักไปหาหมอมาไปเอ็กซเรย์ดูหมอเขาบอกว่าพ่อเป็นเนื้อ ง, งอกที่สมองพ่อจะตายทำไม่ผ่าตัดเขาให้ ให้พี่เตรียมเงินไปหมื่นห้าในวอกแกล้งร้องไห้หนักนางวุ้นก็บอกว่าเอาไงดีล่ะเงินสดก็ไม่มีถึงหนะ้าพันน่ะใช้นี่เขาก็ยังไม่หมดกู้มาทําบ้านนะ่ะพ่อเดี๋ยวพ่อซื้อหนูไปขายก็ได้พ่อแหวนอีกวงคงย่พอนะพ่อนะอนะเออขอบใจเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะไปขายแต่เช้าลราไปหาหมอนางวุ้นก็บอกว่างั้นเดี๋ยวฉันไปด้วย เพื่อจะต้องผ่าหมอเขาให้ญาติเซนยินยอมจะได้ผ่าเลยอุยังรอกหมอเขาต้องนัดวันผ่าอิ่งไปทำงานเถอะผ่าวันไหนแล้วค่อยไปนางวุ้นก็บอกว่าตามใจพอเช้าในวอกก็เอาทองของลูกไปขายนางวุ้นก็เตรียมไว้ให้อีกสี่ห้าพันแต่ว่ายังไม่ให้รอไปวันผ่าถึงจะให้ในวอกเอาสร้อยแหวนไปขายรวมกันก็ได้เงินมาก้อนนึง ในวอกรีบเข้าบอนแทงไฮโลของชอบบ้านช่องไม่กลับนังวุ้นกับลูกก็คิดว่าพ่ออาจจะต้องนอนโรงพยาบาลก็เลยหยุดงานรีบไปที่โรงพยาบาลไปสอบถามว่าคนชื่อนี้นามตะกนนุลนี้รักษาตัวอยู่ชั้นไหนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจดูในคอมก็ไม่มีประวัติมานอนที่โรงพยาบาลหรือว่ามาตรวจอะไรภายในสองสาวันนี้ไม่มีนังวุ้นก็เริ่มโมโหแล้วก็คิดว่าในวอกคงจะหลอกเอาเงินไปเล่นการพานัน นี่พ่อเองมันล้างผลาญแม้แต่เงินทองลูกก็ไม่เว้นกลับมาก่อนถ้ามึงจะเอาเลือดหัวมันออกนะลูกก็ทำงานเหนื่อยมีทองเท่าหนวดกุ้งยังมาหลอกไปอีกช่านแม่ไม่ตายเราก็หาใหม่ได้แหววก็พูดใยความรักพ่อไม่อยากจะให้พ่อแม่ต้องทะเลาะ ก, กันถึงขั้นตบตีกันในวอกกินดื่มอยู่ที่บ่อนง่วงก่อนนอน เจ้าของบอนเห็นในวอกมีเงินเยอะก็ต้อนรับอย่างดีเลี้ยงข้าวเลี้ยงก า, ฟาแฟเต็มที่มีแต่เหล้าเท่านั้นที่ต้องซื้อเองบอนเปิด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดช่วงเนี้ในวอกดวงขึ้นแทงได้เงินเป็นหมืน่นแอบกลับไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาเสื้อมาเปลี่ยนที่บอนด้วยในวอกอยู่บอนประมาณครึ่งเดือนก็หมดตัวกลับมา นังบุญกลับจากทำงานตอนเย็นเข้าบ้านมาเห็นในวอกนอนอยู่ก็กระทืบไปที่อกอย่างแรงในวอกตกใจตื่นอ e ีว่นมึงบังอาจมากระเทิบกูเลยเหรอเฮีเลวมึงยังจำบ้านได้อยู่เหรอมึงนี่มันชั่วจริงๆนะ่ะแหววมึงเอาสากเบื่อมาแม่จะตีหัวมาให้แตกเสื้อโกหกว่าจะต้องผ่าสมองไม่เป็นไรเดี๋ยวกูผ่าให้เองอย่าเลยแม่ พ่อก็คงจะสำนึกผิดแล้วล่ะถึงได้กลับมาสำนึกกับผีอะไรล่ะเงินหมดจะสิต่อไปก็แดกข้าวกับเกลือนะมึงอย่ามาแดกกับข้าวที่กูทำเออกูไม่แดกหรอกถ้ามึงใจดำขนาดนี้กูก็จะไม่แดกของมึงกลัวเหรอใจดำมึงนี่แหละใจด ำ, จดำของของลูกมึงยังหลอกกันไปถลุงจนหมดมึงสงสารลูกมึงมั่งไหมแหววมันขยันไม่เคยไปเที่ยวเหมือนกระเด็กคนอื่นเขาฮึไอ้ชั่ว มึงเป็นพ่อภาษาอะไรฮยเวนกูไม่รู้จะหาถ้อยคมอะไรมาด่ามึงให้เจ็บเข้ากระดูกได้หน้าด้านนังวุนนี่ด่าจนเหนื่อยแวววเยาะยกโทษให้พ่อนะลูกนะพ่ออยากจะรวยพ่อก็เลยทำแบบนี้พ่อหวังดีกับทุกคนนะนะลูกนะนายวอกนี่หันมาพูดกับลูกสาวช่างมันจะพ่อหนูไม่โกรธพ่อหรอกทีหลังกูอย่าไปเล่นอีกส่การพนันมันไม่ได้ทาให้ใครรวยหรอก มึงเห็นไหมอีบุญลูกมันยังเข้าใจกูมึงเนจีจิตใจทําด้วยไรเอาตีนมากระตือผัวนี่มันไม่ดีมันบาปนะั้นมันจะทํามาหากินไม่ขึ้นนะอีบุญน้อยมีหน้ามายอกย้อนในอวอกที่มันทํากินไม่ขึ้นก็เพราะมีผัวแบบมึงไงแหละมึงรีบไปตายตายซะวันเวลาผ่านไปในวอกก็ยังทําตัวเหมือนเดิมทํางานพอค่าเหล้าค่าบุหรีก็กลับ ไม่อยู่ทำช่วยเมียกับลูกต่อไม่นานก็มีหนุ่มคนหนึ่งมาทำงานที่โรงงานลูกชิ้นเป็นเสมียนหนุ่มในคนนี้ชื่อไหนสมบูรณ์เมื่อเขาเห็นแหววก็เกิดชอบแหววว่าเป็นคนน่ารักไม่สวยอะไรมากมายแต่แหววยิ้มง่ายเวลาคนแก่ที่มารับเหมายกตะกร้าปลาไม่ไหวแหววก็ช่วยออฟวิชนะเป็นกระจกก็ทำให้ทุกคนมองเห็นคนงานได้ถนัด ผนกต้มผนกผสมปั่นลูกชิ้นแผนกรับเหมาทําปลาก็มองเห็นหมดในสมบูรณ์ก็แอบมองแหววอยู่บ่อยๆพอพักเที่ยงสมบูรณ์ก็นําขนมแพงๆมาให้แหววบางครั้งก็สอดจดหมายรักมาด้วยสมบูรณ์รู้ว่าแหววเนี่ยไม่มีมือถือตอนหลังก็เลยซื้อมือถือให้เป็นรุ่นที่ยังเล่นเพจเล่นไลน์ไม่ได้สมัยนั้นแหววก็ดีใจ กลางคืนสมบูรณ์ก็จะโทรคุยกระแววเป็นชั่วโมงก่อนจะนอนทุกคืนนในวอกรู้ก็อดที่จะดีใจไม่ได้ยิ่งแววบอกว่าสิ้นปีนี่นายสมบูรณ์จะมาขอในวอกก็ปลื้มใจมากเย็นวันนั้นนายวอกก็แอบดักรอในสมบูรณ์ที่ลานจอดรถของโรงงานพ่อสวัสดีครับวันนี้พ่อทําไมมายืนอยู่แถวเนี้ครับเอคอคือจะมาถามว่าเอ ชอบหนังแหววมันจริงหรือเปล่าเห็นมันบอกว่าจะมาขอมันปลายปีนี่เหรออืใช่ครับพ่อผมชอบแหววจริงๆงครับเออแล้วเอ็งจะให้สินสอดมันสักเท่าไหร่ล่ะเ อ, อผมบอกแม่กับแหววไว้ว่าแสนหนึ่งทองสิบบาทค่าเลี้ยงคนอีกสามหมื่นครับเราจะจัดงานไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าทางบ้านผมก็ฐานะปานกลางไม่ได้ร่ํารวยอะไร ผมก็เอาเงินเก็บมาแต่งนะครับแม่กระแหววเขาก็ตกลงไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วพ่อมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าครับโอ้ไม่ไม่หรอกไม่ไมีแต่พอดีว่าช่วงเนี้ยพ่อป่วยเงินทองก็ไม่ค่อยพอช้ก็เลยอยากจะขอยืมสักห้าพันตอนแต่งก็หักเอาได้มไม่นวอกรู้ว่าวันเนี้ยเป็นวันเงินเดือนออกเออได้ครับพ่อ ในสมบูรณ์ก็ฉีกซองเงินเดือนหยิบนับให้ในวอกห้าพันแหมขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับพ่อถ้าเดือดร้อนอะไรก็บอกผมได้นะครับเออแต่ว่าอืมแกอย่าไปบอกนางแหววกับแม่มันนะเดี๋ยวมันจะว่าพ่อครับครับผมผมไม่บอกแล้วครับพ่อสบายใจได้ในวอกได้เงินกว่าหายไปจากบ้านเข้าบอนเหมือนเคยนางวุ่นก็สงสัยผัวหายไปไหน กลัวเมาหรือจะไปตายที่ไหนเพระคิดว่าในวอกไม่มีเงินนะคงไม่ได้ไปบ่อนแหววกับแม่ก็เลยหยุดงานตามหาพ่อไทยถามเพื่อนพ้องจนรู้ว่าไปอยู่ที่บ่อนนังวุ้นก็เลยให้เพื่อนในวอกพาไปดูสักครั้งไปถึงก็เห็นในวอกนั่งหันหลังแทงไฮโลอยู่นังวุ้นโมโหสุดขีดที่เปรี้ยงไปกลางหลังในวอกจนหัวทิ่มไปกองอยู่หน้าตักเจ้ามือ นักพนันตกใจรีบหยิบเงินจากหน้าเสื้อที่แทงเท่าที่จะหยิบได้นักพนันคนหนึ่งก็บอกอะไรกันวะกำลังจะเปิดถ้วยจะมาถีบกันในวองได้ไงในวอกก็ลุกขึ้นอีวุ้นอีหาเนี่ยมึงจะมากไว้แล้วนะมาถีบกันกลางบ่อ น, นเกรงใจคนอื่นก็มั่งสิวันนี้กูตบคว่ำมึงอยากกลับบ้านในวอกมึงเอาเงินที่ไหนมาเล่นฮะทำไมทําไมกูต้องบอกมึงอ่ะ เจ้าของบอลก็เลยไล่ไ ป, ไปไปไปไปพวกมึงไปทะเลาะ อ, อันที่อื่นนะนางวุ้นกับแหววก็เดินกลับนายวอกก็เล่นต่อเมื่อถึงเวลาที่นายสมบูรณ์มาแต่งถึงเวลานับสินสอดวางในถาดก็ปรากฏว่าขาดไปสามหมื่นแต่นางวุ้นก็ไม่ได้พูดอะไรรอจนเสร็จงานนางวุ้นจึงถามนายสมบูรณ์ว่าเงินไม่พอเหรอลูกเ อ, อปล่าครับแม่พ่อแกเอาไปจากผมรวมทั้งหมดสามหมื่นนะฮะ พ่อเขบอกให้หักเอาวันแต่งผมนะ่ะมีเงินจำกัดก็เลยต้องใส่มาแค่นั้นนะครับหนังบุญก็ได้แต่อึง้งพยักหน้าแหววก็ทําเฉยๆส่วนตัวในวอกเลยยังไม่ตื่นเพราะเมื่อคืนนี้เมาหนักไม่นานแหววก็ท้องสมบูรณ์ก็ขอให้แหววหยุดทํางานก่อนแล้วก็ยา้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตัวเพราะว่าที่นั่นสะดวกสบายกว่าบ้านแหวว แม่ของสมบูรณ์ก็เหอหลานคนแรกอยากให้ลูกสะใภ้กับลูกชายอยู่ที่บ้านของตัวเพราะว่าพี่ชายพี่สาวสมบูรณ์ก็แต่งงานแยกเรือนกันไปหมดแล้วตอนที่จะย้ายมาบ้านสมบูรณ์นางวุ้นก็บอกกับสมบูรณ์ว่าอย่าให้เงินในวอกอีกถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้แค่สองร้อยสามร้อยอ่าบอกว่าจะเก็บไว้สร้างครอบครัวเงินสินสอดนี่นางวุ้นคืนให้ทั้งคู่หกหมื่นเอาไว้ตั้งตัวอีกหมื่นหนึ่งนางวุ้นก็เก็บไว้ยามเจ็บไข้ ในวอกก็ขอนังวุนนญงวุนก็ไม่ให้บอกให้ลูกไว้ทําทุนสร้างครอบครัวอ่าเพราะว่ากําลังจะมีลูกลูกกําลังจะเกิดอยู่ต่อมาในวอกก็บอกกับนางวุนว่าปวดท้องมากในวอกบอกแต่เช้ามืดขอเงินไปหาหมอหนังวุนก็ไม่ให้คิดว่าในวอกโกหกเหมือนเคยอีวุนกูปวดจริงๆนะโว้ยกูปวดมากด้วยกูอยากจะหาหมอ ไอ้วอกแกล่ะจะมึงปวดจริงก็ขอให้มึงตายไปซะอย่ามาหลอกให้เสียเวลาแล้วกูไม่เชื่อคำพูดมึงแล้วนางวุนพูดแล้วก็ไปทํางานในวอกปวดจริงๆจะต้องเดินตัวงอไปบอกเพื่อนว่าช่วยพาไปหาหมอทีปวดท้องเหลือเกินเพื่อนก็พาไปแล้วก็รีบมาบอกยามว่าให้บอกนางวุ้นทีว่าในวอกอยู่โรงพยาบาลให้รีบไปดูอาการด่วนนี่มันปวดท้องจริงๆนะเนี่ยนางวุ้นก็รีบมา อาบน้ำแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลไปดูอาการในวอกปรากฏว่าในวอกถูกเข็นไปห้องดับจิตแล้วในวอกไส้ติ่งแตกถึงแก่ความตายหมอบอกมาช้าไปนางวุ้นเนี่ยร้องไห้โหไอ้วอกก็มึงชอบโกหกก็มึงมันกันลัน่นกูถึงไม่เชื่อเหมึงกูผิดเองที่คิดว่ามึงโกหกเหมือนเคย นางวุลก็รวบรวมสติโทรบอกแหววกับสมบูรณ์ให้มารับศพพ่อนี่แหละท่านบูฟังผลต้องการที่เป็นคนกะล่อนอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามนก็ไม่มีใครเชื่อถือก็เลยต้องตายโดยที่ไม่ได้สั่งลาลูกเมียไม่ทันได้มาดูใจแต่ประการใดโอ้กรรมนาวัตะติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พูดถึงศีลหเนี่ยนะท่านบุกฟังมันเป็นศีลสําหรับคารวาสหรือศีลสําหรับชาวบ้านแค่หข้อเท่านั้นนะจะ ท, ทำไมถือได้ยากซะเหลือเกินบางคนก็ถือได้สี่ข้อบางสามข้อบางหรือว่าข้อเดียวก็ยังดียังอุตส่าห์ถือได้แต่ว่าในจันทร์ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี้ยแก่ปฏิบัติกับศีลห้านี่อย่างไรครับ อย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งว่าปานาติปาตาเวรมณีนี่นะแปลง่ายๆว่าห้ามฆ่าสัตว์ในจันแกก็ฆ่าเป็นอาจินไม่ว่าจะยิงนกตกปลาฆ่าเป็ดหมูหมาขวางหูขวางตาขึ้นมาก็ตีดับนี่แต่จันศีลข้อหนึ่งของแกศีลข้อที่สองอาทินนาธานาเวรมณีมีหลายคนก็สงสัยว่าในจันแกอยู่ได้ยังไงเพราะไม่เห็นแกทําอะไรเป็นสัมมาอาชีวะ คำตอบก็คือแกลักเล็กขโมยน้อยครับเผลอหยิบ ป, ประทังชีพไปวันวันสีลข้อสามกาเมสุมิชฉาจาราเวระมณีในจันไม่ได้ใส่ใจว่าลูกเขามีใคร อ, อย่าเผลอเป็นสำคัญเจ้าชู้ข้อสี่มุสาวาทาเวระมณีในจันโกหกได้ทุกเรื่องอข้อนี้ไม่แต่ในจันอีกหลายคนก็ถือได้ยากบางคนก็อ้างว่า โกหกเพื่อความสบายใจของฝ่ายรับฟังบางคนก็บอกโกหกเพราะจําใจเพราะสารพัดจะนํามากล่าวอ้างแต่ว่าโกหกก็แล้วกันแล้วศีลข้อหสุราเมรยะมัเจปมมาอันนี้ถือยากมากแต่ก็มีคําอ้างในการผิดสินมากที่สุดบอกเจริญอาหารผสมเป็นยาเป็นกระสายยาเพื่อให้ดูเป็นผู้ชายบ้างเพื่อสังคมบ้าง ที่จริงแล้วเนี่ยไอเรื่องศีลเนี่ยท่านบุฟังมันเป็นเครื่องกําหนดความเป็นมนุษย์ว่าถ้าเราทำได้ครบถ้วนตามนั้นเน่มันจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเลยก็คือศีลห้าเนี่ยรับรองไม่ตกนรกแน่นอนส่วนในจันทร์นี่อยู่ในประเภทบัวในตมรอวันเป็นอาหารของหอยปูปลา ใครๆก็เรียกนายจันว่าไอจันขี้เมาเพราะวันๆแกไม่คิดจะทําชีวิตให้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากสัมมาเละ เ, เมาไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนไม่มีใครใส่ใจด้วยนอกจากพวกคอเล่าด้วยกันที่รอแกเพื่อจะกินเหล้าฟรีนายจันนี่เคยอาลวาดชนิดตีหัวหมาด่าแม่เจ็กอยู่บ่อยๆจนใครๆก็พาคันเบือนหน้าหนีพอนายจันเดินผ่านเนี่ยบางคนเนีมองแกเป็นหมูเป็นหมาตัวหนึ่งเท่านั้นเอง ทั้งๆ ท, ที่เพิงที่แกอยู่ก็อยู่ใกล้วัดแต่ว่าธรรมะจากวัดนเนี่ยไม่ได้ซึมก็ไปถึงได้เลยแกปลูกเพิงไว้พอเป็นที่สุกหัวนอนเท่านั้นชีวิตคนที่ไม่รู้จักทําบุญสร้างกุศลขอจะสร้างบาปสร้างกรรมเนี่ยมันเป็นชีวิตบาปเหลือเกินวัดที่แกอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีคนเอาวัวมาให้พระตั้งแต่ยังเล็กๆเป็นลูกวัวเอามาเพื่อให้สะเดาะเคราะห์พระก็รับไว้แล้วก็เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีตั้งชื่อว่าเจ้าทอง เจ้าทองตัวนี้เชื่องมากเลยเพราะว่าพระที่ดูแลเจ้าทองท่านฝึกเจ้าทองให้สวัสดีชาวบ้านที่ให้ของกินโดยเจ้าทองจะนั่งลงแล้วก็ยกสองขาหน้าขึ้นมาเหมือนหมาเลยอดูออกะว่าเจ้าทองสวัสดีคนได้คนก็ชอบมันน่ารักเจ้าทองก็เป็นที่โปรดปรานของชาวบ้านแถวนั้นมากทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัดใกล้ๆวัดบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็หยิบยื่นผักพวกกล้วยอ้ อ, อยแล้วก็ขนมที่เหลือให้เจ้าทองกิน มันจะเดินมาตลาดนัดทีเดียวพอถึงวันตลาดเนี่ยนะจะผ่านร้านอเจ้าของก็จะเรียกชื่อเจ้าทองทองเอ้ยมันก็หยุดพอเขาหยิบของกินให้มันก็นั่งลงไหวโอ้เป็นที่น่าเอ็นดูแก่ผู้พบเห็นคนดูในหัวเราะกันใหญ่เจ้าทองไม่วุ่นวายกับร้านที่เขาไม่เรียกชื่อมานหรอกนะถ้าไม่เรียกมันก็เดินผ่านไปเฉยๆแล้วไม่เคยแวะกินของในกระจาดหรือวาตะกร้าเองโดยที่ไม่มีคนส่งให้ เจ้าทองจะเดินอยู่แถวตลาดจนตลาดวายนั่นแหละมันถึงได้เดินกลับวัดวันหนึ่งเจ้าทองหายไปจากวัดพระที่เลี้ยงไว้ท่านก็เกณฑ์เด็กวัดออกตามหารวมทั้งตัวท่านเองก็ออกตามแต่ก็ไม่เจอจนชาวบ้านมาบอกท่านว่ามีกระดูกวัวกองอยู่ท้ายหมู่บ้านท่านก็ไปดูจําได้เลยว่าเป็นเจ้าทองแน่นอนเพราะว่ากราบรวนคอที่ผูกเจ้าทองไว้มันกองอยู่ข้างกองกระดูกนั่นแหละ ท่านก็ได้รำพึงว่ากรรมใดใครก่อนะทองเอ้ยท่านรำพึงแค่เนี้ยแต่ในใจยากที่จะรู้ว่าท่านเสียใจแค่ไหนที่เจ้าทองที่แสนเชื่องแล้วรู้ภาษาคนนี่จะถูกทารุณกรรมถึงขนาดนี้ชาวบ้านที่พบเห็นนี่สาบแช่งคนที่ฆ่าเจ้าทองถึงขอให้มันตายตกไปตามกันชาวบ้านต่างช่วยกันฝังกระดูกเจ้าทองไว้ในเขตวัดเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ต่อไปพระท่านก็บอกว่าเจ้าทองตายนี่กระดูกยังมีประโยชน์กับวัด ยังหวังว่ากุศลอันจะพึงมีจะไปสู่แก่เจ้าทองบ้างที่วงเล่าเล็กๆท้ายหมู่บ้านไอ้เจ้านายจันนี่พอเมาก็คุยโวบอกว่าตัวได้วัวมาตัวหนึ่งเชือดเนื้อขายเนื้อไปแล้วแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงเหล้าพวกพวกนี่แหละแม่กว่าจะฆ่าได้ต้องใช้ไม้ขนาดเครื่องตีแสกหน้ามันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วทุกครั้งที่ไม้ลงแสกหน้ามันจะยกสองขาหน้าขึ้นเป็น ทำท่าเหมือนวิงวอนขอชีวิตน้ำตามันไหลพรากพากว่าเจ็บปวดเหลือประมาณอ่าตัวตีมันหลายต่อหลายทีพอเห็นมันอดทนไม่ตายแน่แล้วก็เลยใช้มีดเชือดคอมันชาวบ้านที่เขาฝังก็ชักสงสัยว่าจะเป็นเจ้าทองแต่อิจันไม่ยอมรับว่าตัวขโมยเจ้าทองไปจากวัดเพื่อจะฆ่าขายเนื้อให้ชาวบ้านที่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าทองแล้วก็ขายจนหมดเงินที่ได้ครั้งนี้นะับก็ามากพอสมควรเจ้าจันก็กินเหล้าไม่เว้นวัน วันหนึ่งเมื่อในจันแยกย้ายกลับบ้านกับพวกระหว่างทางก็เจอกลุ่มอันธพานติดยามารุมชิงเงินไอ้เจ้าจันฮึสู้ก็เลยโดนตีด้วยไม้ขนาดใหญ่เพื่อนแกที่มาด้วยเมาล้มนอนกลางทางเห็นเหตุการณ์ก็ได้จะจ้องดูไม่รู้จะช่วยได้ยังไงพวกอันธพานมันตีกะทีก็ยกมือไหว้ขอชีวิตทีนึงในที่สุดกลุ่มคนร้ายก็ใช้มีดปาดคอแกเสียงร้องของนายจันที่เข้าหูเพื่อนคอเล่าอ่า ก็ทําให้เขาเกือบหายเมาเพราะมันเหมือนเสียงวัวถูกเชือดไม่มีผิดที่สุดในจันทร์ก็ต้องรับกรรมที่ตัวก่อไว้โดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยกรรมอะไรที่ใครสร้างไว้ผลของกรรมก็จะสนองผู้นั้นใครสร้างกรรมดีผลดีก็สนองครับกรรมชั่วผลชั่วก็สนองอันนี้เป็นของธรรมดาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้แน่นอนครับ